อยู่พัทยาวายายเปนมาคั้งแรกเหรอมากับน้องอ๋อน้องเขาแนะนามาเลยพามาน้องอยู่ที่ไหนอย่ที่ว่ายเหมือนกันะออเรารู้จักที่นี่ได้ไหเคยมาจงบุญ่าน่ าานี่ก็แนะนำขึ้นม า, ลานลเลยไปมาอยู่ที่นี่เลย ริงต้องเป็นกระจกส่องให้เราเห็นตัวเราอันนี้เราไม่เห็นตัวเราเราไปเห็นคนอื่นว่าเป็นตัวเราร่างกายนี้มันเป็นคนอื่นมันไม่ใช่เป็นเราแต่เราไปเห็นว่าเป็นเราใช่หมเห็นว่าร่างกายนี้เป็นเราหรือเปล่าเป็นตัวเราหรือเปล่า เราเป็นใครนะถ้าไม่ใช้ตัวเราเป็นใครอ่ะาเมป็นใครฉันมาอาศัยอยู่เป็นเหมือนบ้านนะอขอให้มองอย่างนั้นนะถูกวนะมองว่าร่างกายเป็นที่อาศัยเป็นคนรับใช้เราไม่มีร่างกายเราเลยต้องใช้ร่างกายเพราะเราอยากหาความสุข ทางจากสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้สิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้เราได้ยินถึงจะได้ดมกลิ่นลิ้มรสได้สัมผัสเพราะว่าตัวเราเองนี้มันไม่มีรูปร่างตัวเราคือใจนี่คือผู้คิดผู้รู้นี่คือเราผู้ที่สั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆนี่ไม่ใช่ร่างกาย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 เวลาเราคิดถึงร่างกายที่ต้องแก่ท้องเก็บต้องตายเรารู้สึกรู้สึกดีใจรู้สึกเฉยเฉยเรานับกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายได้แล้วเปล่าให้มัเจ็บได้ไปหาหมอหมอบอกเปน็นมะเร็งก็ไม่เป็นไรพยายามรับได้ก็สบายไม่ทุกข์ ถ้าไม่ยอมรับ ก, ก็จะทกขเพราะจะอยากอยากไม่ให้มันเป็นอยากให้มันอยู่อยากไม่ให้มันเป็นมะเร็งเป็นโรคคือรักษาไม่ได้ถ้าเป็นโรค ก, ก็อยากจะให้มันรักษาให้หายก็จะได้อยู่ต่อไปแต่ก็อยู่ไปถึงไหนกัน มีใครอยู่เกินน้อยกันไหม้ไถ้าเราสามารถแยกตัวเราออกจากร่างกายได้ปล่อยวางร่างกายได้เราก็จะไม่ทุกข์แต่ตอนนี้เรากับร่างกายเป็นเหมือนสาแฝดแฝดสยามเห็นไหมแฝดสยามนี่ยที่ไปไหนต้องไปด้วยกันใช่ไหมแยกกันไม่ได้ ก็าาติดกันนี่เราต้องมาผ่าตัดนะผ่าใจออกจากร่างกายแยกแยกตัวเราออกจากร่างกายถ้าเราแยากตัวเราออกจากร่างกายได้เวลาร่างกายเป็นอะไรเราก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้เป็นไปกับร่างกายเราถอยออกข่างได้เช่นถ้าร่างกายจะตายเราก็ถอยออกข่างไปปล่อยให้ร่างกายตายกายัน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 ถ้าเราแยกออกจากร่างกายได้เหมือนกับร่างกายของคนอื่นร่างกายคนอื่นนี่เขาเป็นอะไรเราไม่ทุกข์กับเขาใช่ไหมร่างกายคนอื่นแกคนอื่นเจ็บคนอื่นตายนี่เราจะเฉยๆเพราะเราไม่รู้จักเขาเราไม่ได้ไปมีความยุ่งเกี่ยวของเขาไม่มีความยึดติดกับเขา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 อันนั้นที่แล้วเขาก็ไม่ใช่เป็นตัวเราแต่เราก็ยังไปทุกกับเขาได้น ะ, ะเพราะอะไรเพราะเราอยากให้เขาดีอยากให้เขาสบายอยากให้เขามีความสุขอยากให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแล้วเราไปเปลี่ยนแปงได้ป่ะ ถ้าเรายอมรับความจริงว่าเขาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเขาต้องเป็นอะไรไปทักอย่างวันใดวันหนึง่งถ้าเรายอมรับเราก็จะเฉยๆฉฉเรายอมรับฝนตกเวลาฝนตกนี่เราเดือดร้อนไ้มเราก็ปล่อยว่าตกไปแต่ถ้าเราอยู่ข้างนอกไม่มีที่มุงบังนี่เราจะเดือดร้อ น, น, น เราจะอยากจะไม่ให้ฝนตกแต่ถ้าเราคิดว่าเป็นการอาบน้ํามันก็ไม่มันก็ไม่เดือดร้อนใช่ไหมเวลาเราอาบน้ํำก็เหมือนฝนตกในชะ่ไหมเปิดฝักบัวแต่เวลาฝนตกเวลาอาบน้ําเปิดฝักบัวใช่ไหมแล้วไม่เดือดร้อนแต่เวลาที่เราไม่มีร่งกลางไม่ฝนตกเราทำอะไรเดือดร้อนพราะเราไม่อยากเปียกในชะ่มแต่ แต่ถ้าเราอยากเปลี่ยนนี่ก็ไม่เดือดร้อนทำไมเด็กๆนี่เวลาเขาโตนี่เราชอบออกมาเล่นน้ำสุนนะสนุกกันนี่นั่นความไม่สบายใจของพวกเราอยู่ที่ความอยากของพวกเราถ้าอยากไม่อยากได้อะไรแล้วได้มาก็ไม่สบายใจ ไม่ว่าอยากได้อะไรก็ไม่ได้ก็ไม่สบายใจแล้วเราต้องมาแก้ปัญหาของเราหยุดคือเราต้องหยุดความอยากของเราอย า, อยากก็อยากกระเซ็นต่างๆเพราะถ้าเราอยากแล้ว เ, เราจะไม่สบาย ต, ตอนนี้อยากได้ผลหยุดก็จะไม่สบายใจเสียงดังเนียงตกเสียงดังคุยกันไม่รู้เรื่อ ง, อ, งอยากได้ผลหยุด วิธีที่ทําให้เราสบายใจก็คือถ้าเสียงดังคุยกันไม่รู้เรื่องก็นั่งนั่งเฉยๆไปมานั่งสมาธิกันเวลาของเราจะไม่ค่อยคุยกันเท่าหร่เามันคุยกันแล้วไม่ได้ฟังไม่รู้เรื่องเราก็เลยมานั่งเฉยๆยมานั่งสมาธิถ้าเรานั่งเฉยๆได้เราจะสมาย ถ้าเรานั่งเฉยๆไม่ได้เราอยากจะยกไปทำนี่ทํานี่เราก็จะไม่สบายใจอยู่ที่ว่าเราควบคุมความอยากของเราได้หรือเปล่าถ้าเราควบคุมความอยากของเราได้นราก็ะจะสบายใจถ้าเราควบคุมไม่ได้เราก็ะจะไม่สบายใจันเราต้องมาหัดควบคุมความอยากของเรา วิธีควบคุมความอยากก็ให no ้เราหยุดความคิดว่าความคิดน้าเราอยากขึ้นมถ้าเราไม่คิดมันอยากไม่ได้ถ้าเราไม่คิดถึงผลเราก็จะไม่มีความอยากให้ผลตกผลหยุดแต่พอเราคิดถึงผลคิดถึงเสียงดังเราก็อยากจะให้มันหยุดอยางจะให้มันเงียบถ้าเราไม่ไปคิดถึงผลคิดถึงเสียง เราพุโทโพุโทโธพุทโธไปนะมันก็จะไม่มีความอยากให้ถอนย่อยู่มันก็จ ะ, ม, จะมันก็จะอยู่เฉยๆกับส่บวนยากขอให้ผ่วนตัดง่ายๆคราวนี้เราลองมาหนยะุดความคิดกันหน่อยีไหมใจพุทโธอยู่ให้ท่องพุโทโธพุโธไปหรือว่าให้ดูหนาให้ใจเข้าออกไปอย่าให้คิอะไร เดี๋ยวลมหายใจเข้าหายใจออกให้รู้อย่างนี้ต่างถเดี๋ยวฝนหยุดแล้วขั้นจะยกันเรานั่งสมาธิกันนเสียงมันดังโอมันง่อขออกเสียงดังเรามหยุดเรามานั่งเฉยๆตั้งใจ่อถ้าเดี๋ยวฝนหยุดฝนหยุดแล้วอขยกันต่อ ตอนนี ilee, 34, ้มาหยุดคางคิดหยุดคางอยากแต่ใช้พุทโธก็ได้ให้ท่องพุทโธพุโธพุโธไปอยากไปคิดถึงอะไรอยากไปคิดถึงฝนอย่าไปคิดถึงอะไรให้เราจะสมายใจหรือถ้าไม่ไมใช้พุทโธก็ให้ดูลมหายใจเข้าออกก็ได้ลมหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าลมหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกให้รู้อยู่แค่นี้รู้อยู่ที่ปลายจมูก เลืออยู่ที่หน้าท้องก็นนะถ้าเข้าถ้าดูที่หน้าท้องก็เวลาหายใจเข้ามันก็พองเวลาสายหายใจออกมันจะยุดเราก็เรียกว่ายึดหนอเขก็ดูที่ปลายแขนหน่อก็รู้ว่าข้าหนอออกหน่อลองลองหยุดความคสักพักหนึ่งลองนั่งเฉยๆดูถ้าเราไม่คิดแล้วจะไม่มีความอยากแล้วเราจะนั่งได้ แต่ถ้าเราไม่ซิปถ้าเราซิดเดี๋ยวเสยอยากจะลุกอย่างได้ฝนหยุดอยาจะได้ทำาะไมันก็จะไม่สบายใจจะกานั่งอยู่ไม่ได้ตอนนี้ขอให้เรานั่งกําช่วยกันพักๆกันนะตอนนี้ฝนหยุดแล้วเราจะพูดต่อได้เดี๋ยวจะให้พรเลยใครอยากจะกลับบ้านก็กลับได้ แล้๋ยวใครอยากจะอยู่ทางเทศตั้งทำต่อก็ อ, อยู่ต่อตอนนี้จะอนุโมทนาให้ทอนให้อุทิศส่วนดุลส่วนกุศลไหวเป็นพระราษกุศลแด่พระบาสมเร็จพระเจ้าอยู่หัวพยายามนนั่งสมาธิไปเรื่อยๆนะแล้วใจจะสบายมีความสุขล้วจะปล่อยวางร่างกายได้ปล่อยวางทุกอย่างได้ เวลาล่างกายไม่สบายเราก็ปล่อยมันให้ไม่สบายไปเรานั่งสมาธิไปนอนสมาธิไปก็ได้ทําใจให้สงบอยากไปคิดอะไรแล้วจะมีความสุขร่างกายทุบ ก, ก็เรื่องของร่างกายไปแต่เราไม่ต้องทุบไปกับร่างกายเราสามารถมีความสุขได้ตลอดเวลาถ้าเราหยุดคิดได้หยุดอยากได้อย ก, ก็อยากให้มันหายอยากไปอยากให้มันไม่เจ็บ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 สั่งให้ก็ไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่ได้สั่งให้ก็เป็นก็ไม่ได้เน้นอย่าไปยุ่มกับเขาดีกว่าอยู่ของเราตามอยู่กับความสงบของเราดีกว่าม่ความสึกมากกว่ามีการอยากจะถามอะไรไหม <Okay. S 1> นั่งมื่ี้สงบไหม <Okay. S 1> แล้วยังคิดอยู่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 ให้เขาทำอะไรให้เราแล้วเ็าไม่ทำให้เราเราก็โกรธอยากจะได้แล้วไม่ได้ก็เสียใจผิดหวงังได้ก็ดีใจเดียวเดียวแล้วก็อยากจะได้อียนั uh ้น huh. ความอยากมันไม่ได้พาให้เราไปสู่ความพอหรือความสุขพาไปสู่ความอยากเรื่อยๆอยากได้อย่างนี้แล้วไปอยากได้อย่างนั้นต่ออยากได้นู้นแล้วก็อยากจะนู่นต่อก็ออไปเรื่อยๆ เวลาอยากก็ไม่สบายใจหงุดหงิดลำคาญใจเราหยุดความอยากหยุดความคิดกันแล้วจะสบายใจเย็น จ, จะเบาจ ะ, บาะไม่ต้องมีอะไรอยู่แบบไม่มีอะไรดีกว่าไม่ต้องไปดิ้นรนหาเงินหาทองเพื่อจะมาใช้หามาถ้าเป็นท่าตายเอาไปใช้เดี๋ยวเดียวก็หมดนะแล้วอันเดียวก็ต้องไปหาใหม่ หามา่าไห่ได้มาเท่าไห่ก็ไม่พอก็ยังอยากได้อยู่อย่างนั้นก็ยังมีความอยากก็ยังไม่มีความอิ่นถ้าไม่มีความอิ่มมันจะสุกได้ยังไงมันก็หิวอยู่เรื่อยๆถ้าไม่มีความอยากแล้วมันก็อิ่มแต่เมื่อกี้เรานั่งสมาธิแล้วมันหยุดความอยากได้มันก็อิ่มใจสกใจสบายใจพยายามทำบ่อยๆวันหนึ่งเรามีเวลาเยอะแยะ อย่าไปนั่งดูทีวีอย่าไปนั่งกินขนมมานั่งสมาธิดีกว่านี่หละความสุขที่แท้จริงความสุขที่เป็นของเราไม่มีใครมาแย่งจากเราไปได้ความสุขจากแฟนนี่เดี๋ยวคนอื่นมาแย่งแฟนไปเราก็เสียความสุขไปแล้วแล้วก็ได้ความทุกข์กลับมาคือเอาความสุขจากการนั่งสมาธิดีกว่าไม่มีใครมาแย่งไปได้ ขโมยก็มาขโมยไปไม่ได้ถ้ามีข้าวของมีเงินทองเดี๋ยวขโมยขึ้นบ้า น, นก็ขนหมดความสุขก็หายไปหมกายเป็นความทุกข์ึน้นเนี่ยแหละความสุขที่ไม่ต้องเสียเงินกับเรากลับไม่เอาของซีซีไม่เอาคิดว่าของซีไม่ดีใช่ไหมตามจริงของซีเนี่ยเป็นของดีเราเชอาของไม่ดีของเสียเงินเน่ยเป็นของไม่ดี ได้มาแล้วก็ทำให้เราทุกกันได้มาแล้วต้องห่วงไหมหวนะม่วงไหมแล้วเวลา จ, จากเราไปเสียใจนะมนอ่านั่นแหละไปไปหาของเสียเงินแล้วยังไม่พอต้องมาเสียใจกับของที่เราได้จะหลาเลี้ยงโง่นะนนของดีเนี่ยของฟรีของที่ต้องเสียเงินนี่เรียกว่าของไม่ดีเข้าใ จ, จไหมจาไอย่าไปเสียเงิน ซื้อของไม่ดีมาของไม่ดีก็คือทําให้ใจเราไม่สบายทําให้ใจเราวุ่นวายของดีๆกับไม่ของฟรีกับไม่เอากันทําให้เราสบายให้เรามีความสดให้เรามีความอื่นอย่างเมื่อกี้ น, ะนี้นะนั่งไปครึ่งชั่วโมงสบายใจสบายอิไม่ต้องเสียเงินะแมต่บาทเดียวถ้าไปดูหนังเราต้องเสียค่าผ่านประตูเข้าไปแนละ้วร้0ยสอ นี่คือสิ่งที่เราควรพยายามทําให้บ่อยๆทําให้มากๆเวลาไม่นั่งก็ต้องพุโทโธพุโทโธไปคอยหยุดความคิดไว้ถ้าหยุดความคิดได้แล้วเวลานั่งมันสงบเร็วแล้วสงบได้นานนั่งห้านาทีมันก็นิ่งแล้วแล้วก็นั่งไปได้เรื่อยๆถ้าไม่มีพุโทโธถ้าไม่พุโทโธมาก่อนเวลานั่งเรายังคิดนู่นคิดนี่อยู่แย่งกันไปแย่งกันมาดึงกันไปดึงกันมาพุโทโธบ้างไอ้นั่นไป คิดเรื่องนู้นคิดเรื่องนี้บ้างแล้วถ้าบางทีสู้ความคิดไม่ได้ก็นั่งไม่สงบนั่งเดี๋ยวก็เจ็บทนนั่งต่อไปไม่ได้ถ้านั่งแล้สงบมันจะไม่รู้สึกเจ็บมันจะนั่งไปได้สบายยังไปได้นานนั่ต้องหมั่นพุทโธพุทโธนะไม่ว่าจะทําอะไรได้พุทโธพุทโธไปเรื่อย ตั้ง huh. แต่ลืมตาขึ้นมาเลยพอลืมตาตื่นขึ้นมาลืมตาก็พุดโธไปเลยไปทําอะไรก็พุดโธไปถ้าไม่ต้องใช้ความคิดก็พุดโธไปอาบน้ําก็ไม่ต้องใช้ความคิดแต่งตัวก็ไม่ต้องใช้ความคิดกินข้าวก็ไม่ต้องใช้ความคิดอย่าไปคิดให้เสียเวลาอยู่กับพุดโธพุดโธไปถ้าจะต้องคิดเรื่องงานเรื่องการก็หยุดพุดโธไว้ชั่วคราวพอคิดเสร็จก็กลับมาพุดโธต่อ พอมีเวลาว่างก็อย่าไปเปิดทีวีดูอย่าไปเปิดหนังสือพิมพ์ดูมานั่งสมาธิหลับตานั่งสมาธิดู่มาดูใจเราดูมาเป็นใจเราเข้าข้างในมาหยุดความอยากหยุดความโลภความโกรธความหลงแล้วเราจะอยู่อย่างมีความสุขเพราะเราไม่ต้องมีเงินทองก็อยู่ได้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยโอดอยากขาดแคลนก็ไม่เดือดร้อนอยู่กับมันได้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 ถ้านั่งสมาธิแล้วใจอิ่มมันจะไม่เดือดร้อนกับความหิวของร่างกายหิวก็ปล่อยมันหิวได้ไม่ไม่ทรมานใจเพราะใจอิ่มร่างกายหิวแต่ใจอิ่มดีกว่าใจหิวแล้วร่างกายอิ่มเพราะว่าถ้าใจหิวถึงแม้ร่างกายอิ่มก็ยังต้องกินอีกกินจนกันท่างพองขึ้นมานี่คนเราที่พองเน่เพราะว่ามันหิวที่ใจร่างกายมันหลออิ่มแล้วจะกลายเป็นองแล้ว ก็ยังไม่ยอมหยุดกินเงเพราะใจมันหิวงั้นทาใจให้อิ่แล้วร่างกายจะผอมน่างกายจะสวยปุนจะดีแต่ถ้าใจหิวแล้วร่างกายจะกลายเป็นตุ่มสมัยนี้คนจะเป็นตุ่มกันเยอะแยะแล้วเพราะอยู่ดีกินดีแทนที่จะเลี้ยงใจกับไปเลี้ยงร่างกายร่างกายแล้วก็รายกายเป็นตุ่มไป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 โรคตับโรคไตโรคกระเพาะอะไรตามมาเพราะกินมากเกินไปงั้นอย่าอยู่อย่าอยู่เพื่อกินกินเพื่ออยู่กินเท่าที่จาเป็นกินเหมือนกินยาแลาจะสบายสบายทั้งร่างกายสบายทั้งจิตใจอายุจะยืนยาวนานโรคภัยไม่เบืเ่เียน ถ้าปฏิบัติทำนั่งสมาธิเดินจงกรมเดินจงกรมก็ทำให้ออกกำลังกายทำให้ร่างกายแข็งแรงโรคภัยจะไม่ค่อยมีก็เดินธรรมดานี่เดินไปไหนมาไหนก็เดินเนี่ยเดินแล้วก็พุทโทพุโทโธไปแค่นั้นเองถ้านั่งมานานมันเมื่อยก็ลุกขึ้นมาเดินเดินแล้พอเดินเมื่อยแล้ว ก, กลับมานั่งมา สำหรับคนปฏิบัติไม่มีอะไรจะทก็เดินเดินแก้เมื่อยพอหายเมื่อยแล้ว ก, กลับมานั่งต่อนั่งไปจเมื่อยก็ลุกขึ้นไปเดินมาตอนนี้จะเปิดให้ทางบ้านก็ถามบ้างนะเพราะว่าเมาื่อวานนี้ไม่ได้ถามเลยมีเข้ามาหรือยังมีเข้ามาอันนี้เข้ามากี่กคนแล้ว เมียตอฝนตกครับใช่นั่งสมาธิกันนะ <c oughs> อ, อ, อทาทงบ้านเมื่อไหรคำถามจากคุณเจนข้อที่หนึ่งถ้าที่บ้านอยู่ติดถนนแล้วได้ยินเสียงรถตลอดเวลาการนั่งสมาธิแบบใช้ที่ปุดหูถือเป็นการหนีปัญหาหรือเปล่าครับควรปุดหูต่อไปหรือถอดออกมาสู้ความรำคาญให้ได้ดีครับ อถ้าถ้าไม่อุดหูได้แล้วอยู่ได้ก็ดีเหมือนกับเราเมื่อกี้ฝนตกเราก็ไม่ได้อุดหูดเราก็ปล่อยให้มันตกไปถ้ามันไม่มารบกวนใจเราเราก็ไม่ต้องอุดถูแต่ถ้าเรายังจิตใจไม่เข้มแข็งพออะไรได้ยินอะไรนิดอะไรหน่อยก็รำคาญเราก็อุดหูดีกว่ารือไม่อุดหูเนี่ยก็ต้องไปอยู่ตามวัดต่าวัดเขากันที่เราไปก็เพื่อจะไปนหนีเสียงที่มันสิ่งที่มารบกวนใจเรา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 เพราะใจเรายังไม่เข้มแข็งพอที่จะรับกับสิ่งต่างๆได้เราจึงต้องไปปลียดเว้ยกันเพื่อไปสร้างกำลังใจขึ้นมาพอเรามีสมาธิมีสติแล้วต่อมาเราออกมาเนี่ยเราจะไม่หวั่นไหวใครจะดา่าใครจะชมนี่จะรู้สึกเฉยๆใครจะพูดใครจะทำอะไรเราจะไม่เดือดร้อนแต่ตอนนี้เราเดือดร้อนใช่พอเห็นใครกขพูดเขาทำอะไรที่เราไม่ชอบหน่อยเราก็ไม่สบายใจนะ แล้วแต่คนปฏิบัตินะถ้าคิดว่าอยู่กับเสียงดังๆได้แล้วไม่เดือดร้อนก็ไม่ต้องอุดหูไม่ต้องไปอยู่ตามป่าตามเขาถ้านั่งสมาธิตรงสีแยกไฟแดงได้ก็ไปนั่งเราเลยเราดูเข้าที่สองเวลาดูลมเวลาดูลมควรจดจ่ออยู่ที่ปลายจมูกอย่างเดียวหรือตามดูทั้งจมูก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 เวลานั่งสมาธิจิตสงบนี่บางทีไม่ได้ยินเสียงไม่รับรู้เรื่องอะไรต่างๆตัวที่จิตส่งมาเรียกว่าวิญญาณมี5้าตัว5ทางทางตางเรียกว่าโสตวิญญาณจักขุวิญญาณทางหูก็เรียกว่าโสตวิญญาณมีชื่อต่างกันไป5าทางด้วยกันเวลาร่างกายตายไปวิญญาณทั้งหมดนี้ก็ไม่สามารถเชื่อมกับร่างกายได้ก็แยกอก ใจกับร่างกายอยู่สองที่ร่างกายอยู่ในโลกโลกนี้ที่เรียวกว่าโลกกระธาตุโลกวินน้ำลวไฟใจอยู่โลกทิพย์พะยะนนะโลกทิพย์นี่อยู่คนละโลกกับเราแต่ใช้สัญญาณใช้วิญญาณมาเชื่อมต่อกันเหมือนกับสมัยนี้เวลาเราส่งจะโหลดขึ้นไปส่งยาอนกาศขึ้นไปเราก็ใช้สัญญาณวิทยุ ค, ควบคุมสั่งให้มันทำอะไรได้ อพอสัญญาณวิทยุขาดก็ไม่สามารถสั่งอะไรกันได้พอวิญญาณไม่สามารถเชื่อมต่อกับร่างกายได้ก็ไม่สามารถสั่งให้มันทําอะไรได้สั่งให้มันพูดอะไรได้ดันั้นไม่ได้อยู่ที่เดียวกันอยู่คนละที่อยู่คนละโลกร่างกายอยู่โลกกระทาเพราะโลกกระทาก็คือโลกของดินน้ํามลมไฟนลกนี้ไม่มีอะไรหรอกมีแค่ดินน้ํามลมไฟเท่านั้นแหละร่างกายเรานี่ก็เป็นดินน้ํามลมไฟรู้ปะ เดี๋ยวตายไปเดี๋ยวมันก็ยากกันไปน้ำก็ไปทางดินก็ไปทางลมก็ไปทางไฟก็ไปทางในโลกนี้ไม่มีอะไรมีดินน้ำลมไฟอันนี้ก็ดินน้ำลมไฟอันนี้ก็ดินน้ำลมไฟหมน้ำเห็นไหมดินเนหะ็นไมลมหายใจเข้าออกไฟก็คือความร้อนนี่คือโลกที่เราอยู่กันเรียกว่าโลกกระทาสนใจนี่อยู่โลกทิพย์อยู่ก้อนลโลกกันใจไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ร่างกายตายไปใจก็ยังอยู่ที่เดิมเพียงแตสง่ส่งวิญญาณไปหาร่างกายอันใหม่พอมีใครตั้งท้องก็ไปจองไว้เลยอ่ได้มเหมือนเวลาเขาไปซื้อรถยนต์สมัยนี้บางทีต้องซื้อใบจองก่อนยังไม่ทันผลิตเลยจองไว้ก่อนนะแล้ก็เริ่มผลิตที่โรงงานก็ไปรอรับเลยพอผลิตเสร็จออกมาขับขับออกมาจากโรงงานพอร่างกายนี้9เดือน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 แต่คนรอคิวนี่มันอาจจะเป็นร้อยเป็นหมื่นนี่ก็อาจจะต้องมาสอบเอนทานกันมาแข่งขันกันใครบุญมากกว่าใครมีบารามีมากกว่าก็ได้เกิดก่อนใครมีบุญน้อยบาปมากก็ไปเป็นเดรัจฉานก่อนถ้าค่ายุงนขามดนี้ก็ไปเป็นยุงเป็นมดก่อนเอาว่ามาหนูข้าชื้อโรคแล้วบาอ๋อเชื้อโรคมันไม่มีวิญญาณไม่บานะมันไม่มีจิต เจ้านี้เป็นเพียงธาตุสี่ดินน้ำลมไปเหมือนต้นไม้ต้นไม้ใบหญ้าเราฟันต้นไม้นี่ไม่บาปหรอกฟันหญ้าตัดหญ้านี่ถอนไม่บาปเพราะไม่มีวิญ ญ, ญาณจะบาปต่อเมื่อทำสิ่งสิ่งที่มีวิญญาณเพราะทําให้เขาเจ็บเขารู้ได้แต่ต้นไม้นี่เขาไม่มีวิญ ญ, ญาณเขาไม่รู้ว่าเขาเจ็บนั้นถักฟันเขาฆ่าเ ข, า, ขาเขาไม่เดือดร้อนแต่ถ้าไปฆายุงฆ่าอะไรนี่เขาเดือดร้อนเขาอาฆาตพยาบาทเรา ถ้าหน้าเขาเจอเราเ้าก็จะมากัดเรากากินเราได้ถึงจองเวรจองกรรมกันไ ง, <c oughs> งถามจากคุณรักการถ้าเราไปสั่งปลาทอดที่ร้านอาหารโดยสั่งตามเมนูอย่างนี้เราจะบาปไหมคะ <c oughs> ก็ดูที่ว่าร้านนั่นเขาขายอาหารปลาปลาเป็นหรือปลาตาย <c oughs> ถ้าเป็นปลาเป็นก็ก็บาปแหละเพราะไปสั่งให้เ้าฆ่า แต่ถ้าเป็นร้านอาหารที่ขายปลาตายก็ไม่บาถามก็ไปซื้อปลามาซื้อปลาตายแล้วใช่ไหมหรือยังมีปลาเป็นอยู่ถามก็ได้แต่ก็บอกว่าถ้าสั่งแล้วเขาต้องไปค่าให้เรานี่ยเราก็อย่าไปสั่งกินอย่างอื่นก็ได้กินผักก็ได้เนี่ยกินไข่เจียวก็ได้กินถัว่วต้มก็ได้ทําไมต้องไปกินปลาด้วยถ้าเราเป็นปลาเราจะรู้สึกยังไงใช่ไหมถ้าเกิดต่อไปมีสัตว์ใหญ่กว่าเราก็มากินเราจะทําไง ต้องคิดถึงโหออเขาโหรเรานะอย่าไปหาความสุขแค่ปลายลิ้นเลยกินปลาสดๆอร่อยแค่ปลายลิ้นนั่นเองเรเกินเข้าไปก็หมดแล้วกินปลาไม่สดเกินเข้าไปมันก็หมดนะให้กินเพื่ออิ่มก็พออย่าไปกินเพื่อให้มันอร่อยนะบาปกรรมมันไม่คุ้มค่านะตายแล้วต้องไปเกิดเป็นปลาเราจะเอาไหต่อไปไปฆ่าปลาต่อไปเรากลับไปเกิดเป็นปลาให้เขาฆ่า ให้คิดอย่างนี้ก็แล้วกันเราจะได้ไม่กล้าทาทำบาปกันอาจารย์ครับพระพระโพธิสัตว์ที่เป็น เ, เกิดเป็นกระสันะครับพอาจาถ้าเกิดว่าทาแต่กรรมดีอ่ะมีโอกาสที่จะกลับไปเป็นบุตุชนอี้มครับหมายถึงกระสับนี่ก็ยังเป็นบุตรชนอยู่อ๋อมันก็กลับปเป็นนรรดาทีท่กระสัต่ำกว่ากราะัใช่ไหมครับถ้าไม่ทากรรมบาปอ๋อคนที่ยังไม่ได้ได้ได้ตัดสรตว์นี่จะยังไม่ได้เป็น อริยบุคคลคนที่จะต้องเห็นอริยสัจสีมีดวงตาเห็นธรรมถึงจะเป็นพระอริยบุคคลได้ถ้าเป็นอริยบุคคลแล้วจะไม่กลับไปเป็นปุถุชนเช่นถ้าเป็นโสดาบันแล้วไม่กลับไปเป็นปุถุชนแล้วถ้าเป็นสกิราคามีก็ไม่กลับมาเป็นโสดามันขึ้นไปเรื่อยเหมือนการเลยนจบปริญญาตีแล้วจะไม่ไม่ไม่ตกลงมาจะมีแต่ขึ้นไปเรื่อยๆ เป็นยาตีก็เป็นยาโทจากเป็นยาโทก็เป็นยาเอกอแล้วไม่ลงมาผ ม, ผมหมายถึงว่าเป็นกระถักเนี่ยอยู่สูงสุดทา ง, ทางโลกนะครับยั ง, ย ง, ยงว่าเป็นบุคคลทั่วไปนี่นี่ยัย ง, ยงกลับมาเป็นสั์ได้พระเจ้าเจ้ายังเคยเป็นสิงโตยังเป็น อ, อ, อะไรอยู่เลยเพราะว่าเคยยังทําบาปอยู่ไงแล้วก็ยังอยู่ในโลกที่มีเวียนว่ายตายเกิดยังมีขึ้นมีลงอยู่แต่ถ้าไปเป็นพระอริยบุคคลแล้วมันมีแต่จะขึ้นอย่างเดียวมันไม่ลง อยพระโสดาบันน <departed. |mt|>. ี้จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่เกินเจดชาติแต่จะไม่ไปเป็นเดรชะนิชไม่ไปเป็นอะไรแล้วพระอริยะบุคคลทุกองค์นี้จะไม่ไปเป็นไม่ไปไปอบายพระโสดาบันก็กลับมาเกิดไม่เกินเจ็ชาติถ้าสกิราคามีขั้นที่สองก็กลับมาเพียงชาติเดียวถ้าพระอนาคาเีก็ไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ละไปเกิดเป็นโภมแทนและพระอนันหันก็ไม่เกิดเลยไม่เกิดในใจภบนี้เลย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 ถ้าเรากลัวผีก็เวลากลัวให้สวดมนต์ไปสวดอลาลังสัมมาสวาสคาโตสุปัติปันโนไปทําไมเด็กๆเราก็เคยกลัวผีได้ยินเสียงก็แกล้งแจ๊ก ก, ก, ก็เลยสวดมนต์ไปพอสวดเดียวๆหายไปเลยเสียงก็หายไปเมด ล, เล้เวลากลัวผีอย่าส่งใจไปหาผีเดินใจให้าหาพุทโธธรมโมสังโฆสวดอลาลังสัมมาสวาขาโตสุปฏติปันโนสวดไปเรื่อยๆจนกว่าจะหายกลัว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 ผีมันกลัวคนนะกลัวคนเยอะๆพออยู่คนเดียวนี่ผีมันชอบมาหาเรานะคำถามจากคุณพาโลถ้าที่บ้านเลี้ยงน้องหมาแล้วน้องหมามีเห็ดมีหมัดเราฆ่าเห็ุหมัดถือว่าเราบาปไหมครับบาปเพราะเห็บมันก็ ม, มีมีจิตใจอ่าต่ อ, อไปแล้วก็ต้องไปเป็นเห็บให้มันเขาข้าคำถามจากคุณซีนี ถ้าเราหมั่นทำสมาธิต่อเนื่องเวลาจะตายเราทำใจให้เหมือนตอนนั่งสมาธิจะช่วยให้ได้โสดาบันใหม่คะ่ะหรือต้องใช้ปัญญาดูดินน้ําลมไฟแตกสลายไปเลยดูแบบไม่อยากให้มันตายขอการบ้านฝึกตายคะ่ะใช่ถ้าเข้าสมาธิมันก็จะไม่รับรู้ร่างกายแต่มันก็ยังยึดติดอยู่กับร่างกายถ้าจะไม่ยึดติดอยากจะปล่อยวางร่างกายต้องไม่เข้าสมาธิต้องใช้ปัญญา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 เวลาออกจากสมาธิเราสามารถใช้สติหยุดความคิดได้หยุดความโลภความโกรธความหลงได้พระอาจารย์ครับมีคําถามใกล้ตัวครับคือบริเวณบนเขาเนี่ยจะมีหอยทากมากหอยทากที่เดินไปเดินมาและส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะเดินอย่างขาดสติเมื่อขาดสติเนี่ยก็จะโดนเหยียบปายเป็นประจํเาเราผู้มาฟังธรรมเนี่ยควรจ ะ, ะมีสติกับการเดินดีไหมครับเพื่อ จะเป็นเม็ดได้เม็ดตาไหครับเพื่อให้หอยทากตายน้อยลงใช่มันก็ควรนะมันเป็นการฝึกสติไปในตัวถ้าเป็นเป็นงูเราจะมีสติไหม <c oughs> ถ้าเป็นงูเลื้อยอยู่เยอะแยะเป็นเหมือนตัวทากนี่เราจะเดินอย่างมีสติเลยใช่ไหมเพราะเราไม่อยากให้มันกัดเวลาเราเหยียบเขานี่เราไม่คิดอะไรแต่เวลาเขากัดเรานี่เราไม่อยากให้เขากัดเราเพราะฉะนั้นก็พยายามคิดถึงง อ, อกเขาโอเคเขา คิว่าเขาเป็นเหมือนงูแล้วกันเราจะได้ไม่ไปกล้าเหยียบเขามันก็จะมีสติคอยดูทุกก้าวเลยว่าทุกก้าวที่เราไปนี่ส่วนใหญ่ญาติโยมไม่ก็มีสติกับการเดินเดินไปก็คุยกันไปแล้วก็เหยียบนู่เหยียบนี่ไปนี่เรียกว่าไม่มีสติคนที่ฝึกสติจริงๆเขาจะต้องดูก้าวเท้าทุกก้าวเท้าเลยตอนที่เขาจะเหยียบนี่เขาต้องรู้ว่าข้างหน้านี้เขาจะเหยียบอะไรหรือเปล่าไปอยู่ที่มันมี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 คำถามจากคุณดิวลีการทําบุญ100บาทกับการทําบุญหนึ่พบาทได้บุญมากน้อยเท่ากันหรือไม่ครับถ้าคนคนเดียวกันเนี่ยมันก็ต้งต่างกันถ้าเรามเราีเรามีเงินร้อยหนึ่งกับพันหนึ่งเนี่ยถ้าเราทำร้อยเราก็ได้ความสุขระดับร้อยถ้าเราทํำพันเราก็ได้ความสุขระดับพันมันต้องมากกว่าอยู่แล้วใช่ไหม เอาเร์าจาก500กับเบอร์าจาก50บาทเนี่ยจะรู้สึกยังไงรู้สึกว่า500นี่มันถึงใจกว่าใช่ไหมมันอิ่มกว่ามีความสุขมากกว่าที่เรื่องของคนคนเดียวนะมันมันมีหลายหลายมิติต้ตองมองถ้าเรื่องของคนคนเดียวเนะี่ยยิ่งทํามากยิ่งได้บุญมากทีนี้ถ้าเป็นเรื่องของสองคนที่ไม่เหมือนกันเนี่ยดูตัวเงินไม่ได้นะเพราะว่ามีฐานะต่างกันคนหนึ่งจนคนนึงรวยน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 แล้วไม่มาก็อยู่ที่บ้านติดตามสดได้เอาว่ามาก็อยามีคุณลุงเขาเอนนเนี่ยเออเรื่องหอยทานะครับแล้วถ้าเราเราเราเจ็นาาไม่โดนเหยียเราก็เลยโยนเขาไปข้างทางแต่ว่าเขาเป็นะแย่าก็เยอะก็อย่าไปโยนนี่กอคิดถึงถ้าจะช่วยเขาก็หยิบเขาแล้วไปวางไว้สิใช่ไหมเราอยากจะช่วยเขาปลอดภัยเราเราไปโยนให้เขาตายทาไมนะนีนก็อย่าไปช่วยเขาไม่ดีกว่า ถ้าเราไปทำให้เขาตายก็บาปเหมือนกันถ้อยากจะช่วยเขาก็หยิบเขาแล้วไปวางไว้ที่มันนุ่มอย่างงี้ยที่ถึงเวลาคนเขาหยิบตัวแล้วเราทุ่มทุ่มลงไปบนพื้นมันดีไหมทำทำให้เขาตายแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้เจตนาก็ไม่บาปใช่ไหมครับอาจารย์แต่ว่าแต่ว่าถ้ามีสติก็จะดีคือถ้าถ้าถ้ามีเจตนาดีอยากจะช่วยเขา แต่ช่วยแล้วทําให้เขาตายเนี้ยมันก็ไม่บาปเพราะเราไม่มีเจตนาที่จะไปฆ่าเขาเรามีเจตนาจะช่วยเขาแต่เราทําแล้วมันพลาดแต่ที่เดิ น, เ ด, นเดินเหยียบเป็นซึกอย่างเงี้ยก็ไม่ได้บาปไม่บาปไม่มีสตินะแต่มันมีความเสียหายหแต่ถ้าเรามีสติก็ก็เหมือนกับว่าไม่ตายกับเขาจ้อ่า แต่มันก็จะอาจจะกลับมาหาเราแล้วอาจจะไปเจอคนไม่มีสติขับรถชนเราก็ได้ไ <c oughs> แต่แม้เขาก็ไม่บาป <c oughs> เขาก็ไม่ตั้งใจจะฆ่าเราจะมนชนเราโดนเยอะมากตากเยอะมากแล้วก็เหมือนทากแล้วก็ขับรถก็เหมือนตัวทากเนี่ยรถเราก็เผลอเผลคนเมาเหล้าขับมาชนนี่ก็มีคําถามจากคุณนพดลการทําให้สติมีกําลังแก่กล้า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 แต่ถ้าเรายังพุดโทไม่ได้เงี้ยพอเจอทุกขเวทนาแป๊บก็ใจก็สั่นละใจก็สู้ไม่ไหวละใจก็ถอยละยันต้องฝึกพุดโทก่อนให้มีกําลังก่อนถึงจะค่อยมาสู้กับทุกขเวทนาต่อไปครับผมก็มาหน่อยก็ได้ครับจะได้ตั้งคนมาจะได้ดได้คนระับ เ, เดี๋ยวรอเดี๋ยวนะกำลังคุยกันอยู่เดี๋ยให้คุณมาเสร็จเสร็จไปดีกว่าจะได้นั่งก่อนครับ คำถามจากคุณโมนิก้าถ้าเป็นคนไม่ชอบคนเยอะๆไม่ไปแย่งเขาทําบุญรอคนซาตาก่อนบางทีจะทําบุญเป็นคนสุดท้ายก็มีอย่างนี้เราจะจะทําให้เราได้บุญช้าหรือเปล่าคะเวลาทําอะไรกว่าจะมีคนมาช่วยเหลือจะช้าหลือแบบนี้ตลอดค่ะก็ถ้าเราทําช้ามันก็ได้ช้าและบางทีเราอาจจะตายไปก่อนเราก็อาจจะไม่ได้ทำก็ได้ งั้บางทีเรื่องของทำบุญนี้ท่านสอนว่าถ้าอยากจะทําให้รีบทําเลยอย่าไปมีเงื่อนไขว่าอย่างโุ้นอย่างนี้<ช>เดี๋ยวมันจะไม่ได้ท<ช>ําเพราะเราไม่รู้ว่าเดี๋ยวเราเดินเดินไปลื่นหงล้มหัวฟาดพื้นฟาด <c oughs> ขินตายไปทันทีทันใดก็ได้ง<ช>ั้นมีโอกาสมีเวลาแล้วมีความอยากจะทําให้รีบทําไปเลยคำถามจาก คุณสกุลนาลาพระอาจารย์การปฏิบัติสมาธิแบบสะสมไปเรื่อยๆคือทำวันละนิดวัน ล, ละหน่อยกับการปลีกวิเวกออกปฏิบัติอย่างจริงจังสุดท้ายแล้วคือได้สมาธิเหมือนกันใหม่ครับอ๋อปลีกวิเวกจะได้มากกว่าจะได้หลุดพ้นถ้าทำสะสมไปนี่จะมันไม่มันมันจะได้น้อยมันไม่พอที่จะทำให้หลุดพ้นได้ คำถามจากคุณพัศกรภาวังขจิตกับจิตว่างเหมือนกันไหมครับภาวังขจิตก็คือจิตที่สงบไงจิตสงบจิตก็ว่างจะว่าเหมือนกันก็ได้คำถามจากคุณดิลลี่ส่วนตัวเป็นคนโมโหเร็วมากครับแต่ทุกๆครั้งที่โมโหก็นึกขึ้นได้ในใจว่าโมโหอีกแล้ว แล้วมันถึงจะค่อยๆดับไปพระอาจารย์มีหนทางแก้ความโมโหนี้ได้อย่างถาวรไหมครับมีเราต้องไปแก้ที่ต้นเหตุของความโมโหความโมโหก็เกิดจากความอยากนี่แหละอยากได้อะไรแล้วไม่ได้ก็โมโหถ้าไม่อยากโมโหก็อย่าไปอยากได้ก็แบบเนี้ยไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวสั่งก๋วยเตี๋ยวมาเด็กมะนเาเข้าวผันมาให้ก็ต้องโมโหเลยนะแต่แเราบอกว่าทําใจว่าเอ้า ผมสั่งอะไรมาแล้วมันเอาอะไรมาให้ก็กินได้ทั้งนั้น<ม>ก็จะไม่โมโหมันอยากไปอยากอยากแล้วพอ ม, ม, มันไม่ได้มันก็จะโกรธจะโมโหแต่ถ้าไม่อยากแล้วก็ไม่โมโหคำถามจากคุณตุ๊กตาไม้ถ้าเราไม่ค่อยได้ใส่บาทเลยนานกว่าจะได้ใส่ครั้งหนึ่งแต่บริจาคเงินเป็นประจําแบบนี้เราได้บุญเหมือนกันไหมคะเหมือนกันอ่ะบุญก็เกิดจากการเสียสละ สมบัติข้าวของเงินทองของเราจะเป็นข้าวก็ได้เป็นเงินก็ได้เป็นเสื้อผ้าก็ได้แต่ต้องดูว่าคนที่รับเขาขาดแคลนอะไรด้วยถึงจะดีเขาขาดข้าวแล้วไปให้เสื้อผ้าเขาอางนี้มันก็ไม่ดีใช่ไหมเพราะว่าเขาขาดอาหารเวลาเราทำบุญช่วยเหลือคนเราก็ต้องดูว่าคนเขาเดือดร้อนอะไรเราก็ควรจะช่วยเหลือเขาอย่างนั้นถ้าเขาขาดเสื้อผ้าก็ซื้อเสื้อผ้าขาดยาก็ซื้อยาให้เขา มันจะได้ประโยชน์คนรับเขาจะได้ประโยชน์แต่บุญเราได้เราซื้อเสื้อผ้าให้เขาแต่เขา mm hmm. เขามีเยอะแยะเขารับไปแล้วเขาต้องเาไปให้คนอื่นต่อเท่านั้นเองแต่เราก็ได้บุญเหมือนกันแต่คนรับจะไม่ได้ประโยชน์จากการให้ของเราเฉนั mm ้น hmm. ตอนนี้ก็ขอเอาแค่นี้ก่อนนะเพราะว่ามีญาติโยมจะเข้ามาถวายข้าวของแล้วเดี๋ยวฝนก็จะตกอีกนะเฉะนั้นก็ขอให้ท่านจงนําเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้